ปีพุทธศักราช2500ถึง2504พันศาที่13ถึง17ท่านดะจำพันศาที่วัดป่าสามัคคีธรรมบ้านขามเท่าอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมประวัติวัดป่าสามัคคีธรรมได้บันทึกไว้ว่าปีพุทธศักราช2493กํานันพรมมารังสีเป็นทายกผู้มีศรัทธาในทางพระกรรมฐานอย่างแรงกล้าในจับจองที่ป่า ซึ่งติดกับป่าช้าประมาณหนึ่งร้อยไร่เพื่อสร้างเป็นวัดเป็นเขตติดต่อกันสองหมู่บ้านคือบ้านขามเท่าบ้านกุดเข้ามันประกอบกับในช่วงเวลานั้นพระอาจารย์จรัดซึ่งเดินเที่ยวทุดงกรรมาฐานผ่านมาทางหมู่บ้านขามเท่ากำนันพรมมารังสีจึงนิมนต์ท่านมาอยู่ที่เสนาสนะป่าซึ่งตนจับจองไว้สําหรับสร้างเป็นวัดแต่ท่านพระอาจารย์จรัดบอกว่าท่านบารมีน้อยจะสร้างวัด ต้องรอท่านผู้มีบุญบา ร, รมีมาโปรดในปีพุทธศักราช2500หลวงปู่ีมหาวีโรออกเที่ยวทุดงกรรมาฐานจากจังหวัดมหาสา ร, รคามร้อเอ็ดมุกดาหารนครพนมเข้ากราบ พ, พระธาตุพระนมแล้วออกเที่ยวจาริกวิเวกตามป่าช้าป่าโคกป่าโรคร้างผ่านมาพักอยู่ที่บ้านนาโดนเมื่อท่านพระอาจารย์จรั์ทราบข่าวจึงบอกให้กำนันพรมมารางังสี รีบไปนิมนต์หลวงปู่สีมาโปรดชาวบ้านขามเท่าเพราะท่านมีลูกศิษย์ลูกหามีบุญบา ร, รมีที่สั่งสมมามากพร้อมและเป็นผู้ทรงศีลธรรมที่หาได้ยากเมื่อกำนันพรห ม, มารังสีได้พบหลวงปู่สีจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาเป็นอย่างยิ่งก็รวรณาเป็นอุบาสกอุปถาลหลวงปู่ศีตลอดชีวิตแม้ตายสมบัติทั้งหมดก็ยกถวายแด่หลวงปู่ศีมหาวีโรเมื่อหลวงปู่ศี มาอยู่ที่เสนาสนะป่าแห่งนี้ผู้คนศรัทธาเลื่อมใสต่อท่านเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีคนและพระอีกจํานวนหนึ่งที่เสียผลประโยชน์เสื่อมลาภตาการะและความนับถือเมื่อเห็นพระกรรมฐานมาอยู่มีผู้คนนับถือเลื่อมใสศรัทธาก็อดที่จะอิจฉาตาร้อนนี้ได้ได้แสดงอาการรังเกียจและกันแกลง้งต่างๆนาน า, นาอย่างเช่นไปแจ้งความว่าท่านเป็นคองมิวนิตให้เจ้าหน้าที่เข้ามาค้นวัด แต่ก็ไม่เจออะไรบางวันพระไปบินธาบาตก็เอากบเป็นๆใส่บาดของท่านบางวันท่านไม่อยู่วัดก็พาการแบกจอบเสียมาขุดเสากุฏิทำลายเข้าของภายในวัดบางวันก็มาตะโกนดา่าขับไล่ไม่ให้ท่านอยู่ก็มีแต่สุดท้ายพวกที่ทำนั้นเสียชีวิตไปหมดบางคนเมาเหล้าตกตลิงตายบางคนขับมอเตอร์ไซค์ตกน้ำตายบางคนก็ขับสามล้อตกน้ำตาย เมื่อชนทั้งหลายเห็นผู้ที่ประทุษร้ายต่อท่านหลวงปูศ่ศรีคนแล้วคนเล่าต้องจบชีวิตอย่างอดสูความร่ํำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาเลื่อมใสก็เข้ามาแทนที่หลวงปู่ศรีได้ปราบคนที่เป็นนิจฉาทิฏฐิให้หันหน้าเข้ามานอบน้อมต่อพระธนตรัยเป็นจํานวนมากท่านจึงสร้างศาลาใหญ่เป็นศาลาสําหรับปฏิบัติธรรมให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าไม้เพิ่มเติม และอนุรักษ์ป่าเดิมเอาไว้เมื่อท่านได้สร้างวัดเป็นหลักฐานมั่นคงแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านลืมไม่ได้นั้นก็คือนิมนครูบาอาจารย์ที่องค์ท่านเคารพเลื่อมใสนับถือมาเหยียบวัดเพื่อเป็นกิริมงคลและให้ชาวบ้านได้รู้จักพระกรรมฐานที่ทรงคุณธรรมเช่นท่านเจ้าขุนพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลหลวงปู่บัวสิริปุนโนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นต้นหลวงปู่ศรี ท่านได้เล่าถึงการล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆด้วยสมาธิภาวนาว่าสมัยท่านอยู่บ้านขามเท่าจังหวัดนครพนมท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณมุนีเจ้าคณะจังหวัดมหาสา ร, รคามได้นำพระน้องชายมาฝากให้อยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านพระน้องชายท่านเจ้าคุณนี้เป็นคนพูดยากสอนยากหยาบหนาะวันหนึ่งเป็นวันที่ญาติโยมจากในเมืองมาถวายผ้าปา่าพระรูปนี้ ออกไปบิทบาทในตอนเช้าเดินออกไปก่อนเพื่อนเห็นปากาด้ามหนึ่งตกอยู่ภายในเขตวัดจึงเจ็บเอาไว้แต่แล้วด้วยโลภะเจตนาอยากได้เป็นเจ้าของจึงไม่ยอมบอกแจ้งแก่ผู้ใดอยู่ต่อมาอีกวันหนึ่งหลวงปู่ศรีท่านเล่าว่าท่านเกิดเจ็บตาโดยไม่ทราบสาเหตุจึงนั่งพิจารณาหาสาเหตุแห่งโรคนั้นเมื่อนั่งพิจารณารมอยู่ท่านทราบทางสมาธิภาวนาว่าเปเรื่องใหญ่ที่ไม่ดี เกิดขึ้นภายในวัดเมื่อพิจารณาต่อไปก็ได้ทราบว่าพระเจ็บปากกาได้ไม่บอกใครซึ่งเป็นอาการของการขโมยแต่ว่าในเรื่องนี้จะเป็นใครทํานั้นถึงรู้ตัวอยู่ก็พูดไม่ได้เพราะว่ายัางไม่มีพยานจึงนัดประชุมสงฆ์ภายในวัดประชุมกันตั้งแต่หัวค่ําไปจนถึงหกทุ่มถามว่ามีพระรูปใดทําผิดวินัยสงฆ์หรือไม่ที่ประชุมสงฆ์เงียบไม่มีใครยอมรับ เมื่อไม่มีใครยอมรับในที่สุดท่านก็ชี้หน้าพระรูปนั้นในถ้ำกลางที่ประชุมสงฆ์พระรูปนั้นจึงค่อยๆบอกท่านถามว่าได้มานางหรื อ, อยังได้มาเมื่อวานแต่เมื่อถูกไต่สวนเข้าก็ได้คําตอบเพิ่มอีกว่าได้มาหลายวันได้มาเป็นเดือนในที่สุดบอกว่าได้มาเกินกว่าเดือนตามพระธรรมวินัยแล้วนี้แสดงว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์จะเอาของของเขา ซึ่งเจ้าของเขาไม่ได้ให้ถือว่าเป็นอาการแห่งขโมยต้องอาบัตหนักคืออาบัตปาราชิกพอจพับผู้ร้ายทางพระธรรมวินัยได้แล้วได้ปากาคืนแล้วจึงส่งให้เจ้าของเขามอบให้กำนันเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองให้คืนเจ้าของเดิมไปเขายังไม่ได้ทอดอาไล่ถ้าหากเขาทอดอาไล่ว่าหายไปแล้วพระรูปใดเอาไปพระรูปนั้นต้องอาบัตปาราชิกแต่พระรูปนี้ อยู่ในระหว่างยังไม่แน่นอนเราจึงไม่ให้อยู่ร่วมสำนักส่งกลับพระอุปชาทันทีผลสุดท้ายอยู่ไม่ได้ต้องไปบวชเป็นพระฝ่ายมหานิกายอีกนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติของตนในฤดูแล้งปีพุทธศักราช2504หลวงปู่ศรีมหาวีโรทันได้ทุดงจากเสนาสนะป่าช้าบ้านขาเท่าจังหวัดนครพนมมายังวัดป่ากุ้งจังหวัดร้อยเอ็ด มีพระผู้ติดตามคือพระอาจารย์อินกระตาปุญโยพระอาจารย์สาวสามเณรอุดอรและผ้าขาวกองเมื่อถึงชายป่าชายเขาลุงปูสีท่านจะเล่าให้ฟังเสมอว่าโน้นภูเขาลูกโน้นถ้ำโน้นและเงื้อผาโน้นเราเคยพักบาเพ็ญภาวนามาแล้วเป็นที่จับจิตจับใจไร้กังวลกับเรื่องตรนเกรือนวุ่นวายถ้าพวกท่านทั้งหลายที่ติดตามผมมา ต้องการมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์อย่างถึงใจก็ควรสแสวงหาที่อยู่บําเพ็ญและฝากเป็นฝากตายกับธรรมทั้งหลายในที่เช่นนั้นซึ่งเป็นดังองค์พระศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ต่อหน้าหลังจากพักหายเหนื่อยแล้วก็เดินทางต่อไปอีกเจ็ดวันเจ็ดคืนสามเนรสะพายบาทสองบาดจนบาเป็นรอยด้านเดินค่ำค่มืดมืดดึกๆึกดินๆทะลุถึงหมู่บ้านําพ่อ ต่อไปยังอำเภอนาแจจังหวัดสกลนครมีแต่เข้าป่าดงพงลึกเดินผ่านทางบ้านด่านสาวดอยเข้าวัดบ้านน้ํากล่ำอำเภอท่าพระนมจังหวัดนครพรนมซึ่งเป็นสถานที่หลวงปู่เสากันตะศีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเคยมาวิเวกภาวนาหลังจากนั้นท่านก็ทุดงเข้าไปพักในถ้าท่านบอกว่าการอยู่ในปา่าในภูเขาในถ้าในเนื้อมผา เป็นความสง่างามของพระกรรมฐานเพราะสถานที่เหล่านี้เป็นที่น่ากลัวช่วยพยุงความเพียรให้สะดวกยิ่งขึ้นพวกสัตวร์ร้ายมีเสือเป็นต้นช่วยพยุงความเพียรทางด้านจิตใจได้ดีเพราะในขณะกลัวใจจ ะ, ะระลึกถึงธรรมเป็นที่พึ่งการะระลึกถึงธรรมนานเพียงใดใจกับธรรมก็จะประสานสติปัญญาและความเพียรให้ดีขึ้นได้มากเพียงนั้นพระเนน พักอยู่ข้างนอกถ้ำส่วนหลวงปู่สีท่านพักอยู่ในถ้ำตามธรรมเนียมพระกรรมฐานตอนเย็นท่านจะต้มน้ำฉันสามเณรจะต้องไปหาหินมาตั้งกองไฟต้มน้ำถวายครูบาอาจารย์กรองน้ำโดยผ้าธรรมกรกจะได้น้ำสะอาดจะได้ไม่มีตัวสัตว์เช่นลูกน้ำเป็นต้นน้ำที่กรองแล้วนาไปต้มฉันและสาหรับสงบางทีการน้าก็ไม่มี ใช้ไม้ไผ่ในการต้มน้ำยาสีฟันจะใช้เกลือแทนไม้สีฟันใช้ไม้โกธาการบินธบาตจะเดินตามหลังหลวงปู่ศรีท่านรู้ระยะทางเป็นอย่างดีเพราะท่านทุดงมาบ่อยๆในระหว่างทางบินธบาต ท, ท่านจะสอนพระเนนอยู่เสมอว่าให้คลองผ้าด้วยดีและสำรวมไม่ให้มองข้างโน้นข้างนี้มีสติตุกย่างก้าวที่เดินไปและถอยกลับให้ตั้งจิตรำพึงถึงธรรมที่เคยบำเพ็ญมา เวลาฉันให้พิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังโดยแยกข่ายขณะฉันให้มีสติเป็นความเพียรโดยสังเกตระหว่างจิตกับอาหารที่เข้าไปสู่ชิวหาประสาสและาธาตุขันอย่าให้จิตกำเริบลำพองมัวเมาเมามันไปตามรสของอาหารให้พิจารณาเพียงสักแต่ว่าเป็นธาตุสีเป็นของปฏิกูลอย่าปล่อยสติปัญญาที่สัมผัสกับใจ ถ้าเผลอปล่อยใจให้หลงไหลมัวเมาในรสชาติไปเช่นนั้นเราจะเป็นหุ่นเชิดของกิเลสไปโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่ท่านเป็นคนจริงจังพูดทีเล่นทีจริงแทบจะไม่มีนานๆท่านจะพูดขบขันบ้างเป็นบางครั้งยามแหลงหาน้ํายากท่านจะบอกสามเนรว่าสามเนร น, น้อยไม่ต้องไปหาหลอกน้ําเราจะเป็นคนหาเองพอท่านนั่งสมาธิ กำหนดจิตภาวนาดูสักพักท่านจะเรียกสามเณรมาบอกว่าเณน้อยเนน้อยน้ำมันอยู่ทางโน้นหน้าแหลงหาน้ำยากมากบางครั้งใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวแทนการอาบน้ำพระกรรมฐานเหงื่อจะไม่มีกลิ่นเพราะจะฉันตามอัตภาพแต่ก่อนใช้กรดน้ำตาลซึ่งเป็นน้ำตาลหวานเวลาฉันน้ำจะใช้ผสมน้ำหนึ่งแก้วใส่กรดน้ำตาลไปหนึ่งเม็ดก็พอหลังจากต้มน้ำร้อนเสร็จ จะใช้เกลือผสมกับตรดน้ำตาลต่อมาพอตะวันบ่ายคลอยลงจากภูเขาหลังภูพานมาทางจังหวัดกาลรรสิน์ข้ามป่าข้ามภูเขาข้ามถ้ำมาถึงเขื่อนลำปาวเข้าพักบ้านผักกัญญาจากนั้นก็ไปบ้านนาขามดงแม่เพดเข้าเฉดจังหวัดร้อยเอ็ดอเภอโพนทองมาบ้านคําผองออกไปอําเภอกำมลาใสข้ามแม่น้าชีไปเมยวดี พักอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วท่านจึงเดินทุ ด, ดงมายังวัดป่ากุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด